ทีนี้ถ้าหากว่างดเว้นจากปาณาติบาตนะปาณาติปาตาปฏิวิรตโตมีศีลข้อนี้นะสมาทานเพื่อที่งดเว้นจากปาณาติบาตความว่าเป็นผู้งดเว้นคือตั้งอยู่ไกลจากปาณาติบาตเพราะการสมาทานศิกษาบทนะสมาทานที่จะประพฤติ ศ, ศึกษาเพื่อที่จะงดเว้นจากการการฆ่าเพราะฉะนั้นศีลข้อปานาติบาต ไม่ได้เป็นศีลเพราะไม่ฆ่าไม่ฆ่าเฉยๆเนี่ยอยู่เฉยๆเนี่ยนั่งไม่ได้นั่งใจลอยดูทีวีทั้งวันอะ่ะถามว่ามีศีลไหมนะก็ต้องดูว่าสมาทานหรือเปล่าถามว่าศีลเนี่ยศีลเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเป็นกุศลขณะที่มีโทสะเป็นมีศีลไห ม, มกุศ ล, ละศีลนขณนะนั้นไม่มีขณะที่มีโลภะมีไหมไม่ ม, ม, มีขณะที่เป็นโมหะก็ก็ไม่ใช่ขณะหลับก็ไม่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 ซึ่งเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิดัง น, นั้นอุลสลศีลนั้นส่วนหนึ่งก็เกิดจากการสมาทานทีนี้ในเรื่องของการรักษาศีลเนี่ยนะก็มารู้วินิจฉัยดูว่าเป็นอย่างไรวินิจฉัยโดยประเด็นต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เนี่ยแม้ในที่นี้พึงทราบวินิจฉัยนะวินิจฉัยแปดอย่างด้วยกันเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาศีล น, น, นะบอกมีศีลไหม มีถ้าก็ถามว่าเออศีล ส, สภาวะของศีลเป็นยังไงเป็นต้นเนี่ยนะเอาคําถามแปดคำถามเนี่ยมาถามดูว่าตอบได้หมดไหมถ้าไม่ดูคําอธิบายเนี่ยตอบได้หมดไหมใครตอบได้บ้างใครตอบไม่ได้บ้างยกเงินน้ำนะนะในหน้ายี่สิบสอเนี่ยนะนั่นคือถ้าหากว่าแปดข้อเนี่ยนะเห็นปั๊บเข้าใจทันทีเลยนั้นแสดงว่าคนนั้นเข้าใจเรื่องศีลเป็นอย่างดีแต่ถ้าหากว่าตอบไม่ได้สักักคําถามเลยเนี่ย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 และวีระตีเจตสิกอีกสดวงวีระตีเจตสิกเนี่ยเกิดกับมหากุศลจิตเป็นครั้งคราวไม่ได้เกิดตลอดเวลาเกิดเป็นพักๆนะนเกิดเป็นพักๆ น, นะแต่เมื่อว่าโดยเทศนานะเทศนาก็คือในปุตตสูตรเนี่ยนะมาแล้วด้วยสามารถแห่งวิรัตนะนันงดเว้นจากปานาติบาตใช่ในในบาลีอัตถกฐถาตรงนี้กล่าวว่า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 อันนั้ปรัรสชาต์ตระกูลเสร็จแล้วก็ไม่ไม่ลักขโมยไม่ผิดศีลข้อใดก็ตามอันนี้ชื่อว่าสัมปตวิรัตหรือพิจารณาโอ้อายุปูนี้แล้วอะ่ะไปล่วงศีลล่วงธรรมได้ยังไงไอเด็กเด็กเขาอันนี้ขณะนั้นก็เป็นเป็นศีลโดยพิจารณาไวอันนั้โอ้ศึกษามาขนาดนี้แล้วนะไปทําตัวอย่างนั้นได้ยังไงไปกินเหล้าเมายายา่ำแปะอยู่อย่างนั้นได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นลักษณะของสัมปตวิรัตเหมือนกัน การที่พิจารณาชาติวัยหรือว่าพหูสูตรเป็นต้นเน่ยนะอย่างใดยอย่างหนึ่งแล้วไม่ล่วงละเมิดในในการฆ่าเป็นต้นอ่ะอันนั้นเชื่อว่าสัมปะตะวิรัติความคิดอันนี้เกิดบ่อยไหมนะเนี่มีบ้างนะถ้าได้ปัจจัยก็มีบ้างถ้าไม่มีปัจจัยก็ไม่มีเลย <c oughs> นะมีเหตุบางอย่างก็ให้คิดปตรบเรื่องชาติเรื่องวัย บางทีฉันอะไรงามๆก็ดูแล้วก็อายมนกั น, นเรานี่แก่ปูนี่แล้วตาโันด <จะ S 1> ้เจอสุภานิมิตครับจะไปเรียกอะไรเลยที่ขึ้นพเพราะเพราะหน่อยคิดร้ายเลยขนาดนั้ น, น, นเ น, น, น, นะต่อไปนะว่าส่วนววรัตที่เกิดขึ้นแก่ผู้สมาทานศิขาบทมาก่อนแล้วแม้สลัดชีวิตของตนที่มีคุณค่ายิ่งกว่าศิขาบทนั้นก็ไม่ล่วงละเมิดวัตถุ เพราะสมท า, านสิกขาบทไว้ชื่อว่าสมาทานวิรัตนะสมท า, านมันก็คือไปรับศีลมานั่นเองก็เหมือนกับที่อุบาสกคนหนึ่งพอ ร, รับศีลเสร็จไปไถนาปล่อยวัววัวเข้าป่านะถือมีดไปตามวัวงูมารักนะก็ปารบถึงศีลที่ได้สมาทานมาก็โยนมีดทิ้งเลยไม่ไม่ยอมฆ่าอันในเรื่องเกี่ยวกับสมาทานวิรัตนั้น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 มีนิพานเป็นอารมณ์นะาที่เหลือมีอะไรเป็นอารมณ์ก็คือสมาทานวิรัตกับสัมปัตตาวิรัตนะทาปานาติบาตมีชีวิตติณซีเป็นอารมณ์นะมาดูสองโดยอารมณ์อารมณ์ของปานาติบาตาเวรมณีเป็นต้นถ้นนาหากว่าปานาติบาตเจตนาในการค่ามีอะไรเป็นอารมณ์กุศลจิตที่งดเว้นก็มีสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ด้วย นะว่าเว้นจากการฆ่าสิ่งมีชีวิตอันเจตนาที่สมท า, านเป็นต้นก็ต้องมีสิ่งมีชีวิตเป็นอารมณ์ด้วยไม่ใช่ปานาติปาตานังสับ ป, ประโกงโง่เงียไปมันก็ไม่ใช่เลยนะอันนี้ก็าเรียกว่าตามตามกันมานะว่าตามตามกันอาจจะไม่ใช่ศีลเพราะาอย่าลืมว่าศีลมีอะไรเป็นเหตุใกล้ศีลมีอะไรเป็นเหตุใกล้คร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 สมมติว่ายุงมากัดจะฆ่าก็ได้จะเว้นก็ได้เอาอันไหนดีนะถ้าหีเรโอตาปะเกิดขึ้นก็อ๋อนะโอ้ยเมื่อก่อนเนี่ยนะเจ้าคงประมาทแน่นอนเลยแหละเจ้าจึงได้มาเกิดเป็นยุงชั้นเองก็เหมือนกันนะนะถ้าฉันปล่อยจิตให้คิดฆ่าแกเป็นต้นเนี่ยนะไม่นานอาจจะได้ไปเกิดเป็นญาติญาติเป็นลูกๆูกล้หล า, ลานแก น, นี่นแหละนะเกิดโอตาปะขึ้นนะนะกลัวผลของกรรมนี้ก็งดเว้นไป ่งแต่บางคนก็อายโอ้ศึกษาธรรมะม า, อ ย, าอย่างนี้จะฆ่าอีกเหรอทําอะไรก็ไม่ได้สักอย่างอันนี้ก็เรียกว่ามีหิริเกิดขึ้นนีะแต่ถ้าศึกษาเรื่องกรรมดีๆโอตปะจะเกิดป่อยอนะ ไ, ไม่ทําเพราะกลัวเจริญพันกลัวกลัวคือก็โอตปะนั่นนะไม่ทําเพราะกลัวว่าจะได้รับผลเจริญพันโดยามากนะจะเป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้เชิงว่าสมาทานนะ ก็ไม่เชิญไม่เชิญว่าจะเป็นสัมปัตตะส่วนสมุทรเชน่ะคงไม่แล้วก็ก็ดูดูแล้วก็น่าจะน่าจะเพราะกลัวมากกว่านะ ไ, ไม่เป็นไรขอให้มันเกิดบ่อยๆใช้ได้เกิดบ่อยๆจะได้ระลึกถึงได้นะคือถ้าหากว่าคนที่ปรารบศีลบ่อยๆแล้วรักษาศีลได้เวลานึกถึงจะเริ่มใจแต่ถ้าหากว่าไม่ได้สมาทานไม่ได้อะไรเลยนะ นึกถึงยังไงก็ไม่สบายใจเพราะว่าที่ไม่ฆ่าเพราะว่าไม่ได้ปัจจัยเฉยเฉยอย่างบางคนเนี่ยดูเหมือนเขารักษาศีลดีแต่เขาไม่ได้ปัจจัยที่จะล่วงศีล เ, เขาบอกว่าคนที่รู้อยู่แล้วยังกล้ามุสาวาททั้งๆ ท, ที่รู้อยู่ก็บอกไม่มีบาปอะไรที่เขาทำไม่ได้นะบาปส่วนอื่นอื่นเนี่ยอยากคิดว่าเขาทาไม่ไดนะ้เพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้ปัจจัยเท่านั้นเอง นันกุศลส่วนนี้ต้องอาศัยการปราลบ่อยๆสมาทานบ่อยๆนะบางท่านเนี่ยนะเทขาว่าก่อนนอนก็สมาทานทิงตื่นเช้ามาก็ตั้งใจจากวันนี้จะเอาศีลให้ดิ้ดิงกินนะคิดเช้าเย็นอย่างนี้ก็ได้นใครคิดอย่างนี้บ้างยกมือขึ้นโอ้สาธุนะอคิดเรื่องวัจจิทุจริตนี่นหนน ะ, นะคิดถึงเรื่องวันนี้เราจะต้อง มีอัตตาสัมมาปณิธิไม่ให้วัจีทุจริตเกิดขึ้นเจมพาร์วันก่อนนี้คุณบุญชูนะเขามาถึงมีคนชวนคุยบางเรื่องนะบอกวันนี้ผมสมาทานการใช้บาจามาครับเขาว่าไงะจะเจ้ารักษาไว้เนอรอสาธุโมทนาด้วยอย่างเงี้ยเจริญไม่มากมากดีตอนในวิสุทธิมัสท่านกล่าวว่าที่พึ่งอื่น ของกุลบุตรในศาสนานี้นอกจากศีลไม่มีนะถ้าหากว่ากุศลศีลเราเกิดไม่ดีแล้วนะรถที่หนึ่งมันก็ไม่ได้ขึ้นแล้วนะรถที่หนึ่งเนี่ยพลที่หนึ่งก็ขึ้นไม่ได้แล้วศีลวิสุทธิ์ไม่ได้จิตตวิสุทธิก็ไม่ใช่ฐานะอีกนะจิตตวิสุทธิอย่าลืมนะว่าจิตตวิเศษทุกข์คืออะไรคือการนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าหรือว่าการระลึกนึกถึงคุณของพระธรรม หรือว่าการระลึกนึกถึงคุณของพระสงฆ์หรือว่าการระลึกนึกถึงคุณของศีลเกว่าศีลานุสติจาคานุสติเทวดานุสติระ ล, ลึกนึกถึงคุณของเทวดา น, นะอุปสมานุสติมรณานุสติศีลไม่ดีระลึกถึงความตายเป็นไงตายแนะ่อันนี้ตกในรกแหงเลยนะจะตายอยู่แล้วเนี่ยบุญก็ยังไม่ได้ทําเลยนะถ้าศีลไม่ดีจะเป็นลนนะักนณะนั้นมรณานุสติระ ล, ลึกแล้วจะไม่สงบนะ อนาปาณสติเนี่ยหายใจเข้าหึดสองฮึดเท่านะั้นที่เหลือคิดเรื่องอื่นหมดเลยฟุ้งหมดเนอะบางคนเนะี่ยนับหนึ่งหนึ่งสองสองเอองานนั้นจะเป็นยังไงวะอา้าวหนึ่งสองสองสลับมั่วแล้วที่หมดเลยนะนั่นแหละแม้แต่กุศลชั้นอื่นๆอีกนะถ้าอนุสติเกิดยากพราะมิหารเนี่ยนะ <ๆ S 1> ก็เกิดยากอีกเหมือนกันแตนะ่ถ้าหากว่าจิตเป็นไปกับโลภะโทสะเนี่ยคนโกรธหรือว่าคนโลภย่อมไม่รู้อัฏฐ ไม่รู้ทำรรมะนะแม่แต่เรียกว่าพ่อแม่ที่มีบุญคุณมันยังนึกไม่ออกเลยนะถ้าจิตที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นอั้นคนที่ที่จิตขาดเมตตาก็จะเป็นลักษณะดเดียวกัน น, นะคนที่เขามีคุณมากมายเราก็ร ะ, ะลึกนึกถึงคุณของเขาไม่ออกถ้าจิตของเราไม่ไม่สะอาดระดับหนึ่งแล้วเนี่ยที่จะพิจารณารูปนามขันห้า ก, ก็เป็นของยาการูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ นึกถึงอะไรรูปใช้คำมารูปเนี่ยเรามีอะไรเป็นอารมณ์รูปหยาบๆยาบที่พระผู้มีพระภาคทรสงสอนให้พิจารณาก็คือนะส่วนใหญ่แล้วก็เช่นตาสีหูเสียงจมูกกลิ่นลิ้นรสกายโพตพภะกายคือผมกายคือขนกายคือเล็บคือฟันคือหนังคือเนื้อคือเอ็นเป็นต้นนั่นเอง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 ไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราถามว่าเข้าเป็นอะไรก็เป็นรูปนั่นแหละนการพิจารณาแบบนี้บ่อยๆเข้านะรูปบางอย่างเป็นที่อาศัยเกิดของจิตเช่นจักคู่กับสีจักรคู่เป็นที่อาศัยเกิดของจักรคู่วิญญาณสีก็เป็นอารมณ์ปัจจัยของจักคูวิญญาณ น, นะ วินิชัยแบบนี้เป็นต้นไปก็เป็นลักษณะของยาตะปริญญาฉะนั้นถ้าไม่สบายใจจริงๆอะ่ะให้ไปอยู่คนเดียวนั่งคิดเรื่องนี้ดูสิใช้คิดนะรูปเวทนาสัญญาเอ๊ะวันก่อนในอาจารย์ขเขาวางนะไอ้คำนั้นอะ่ะเสร็จก็ไปเรื่อยแล้วตอนะะนี้พอหน้าหนึ่งคนโผล่มาคนอื่นยังมาเรื่อยคนหนึ่งก็แล้วคนสองก็แล้วนะคิดไปตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วนะคิดเรื่องอื่นมาอา้าแล้วไม่ได้มาคิดเรื่องนี้นี่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 นะเสร็จแล้วการพิจารณาก็จะไม่ต่อเนื่องถ้าพิจารณาไม่ต่อเนื่องนะอัทธรสธรรมรสก็ไม่เกิดอัทธรสธรรมรสไม่เกิดแล้วก็แล้วก็ทำไงเรื่องที่ว่า <c oughs> ให้ให้มันนึกมันตึกถึงถึงเนียถึงสภาวะเช่นรูปเนียนะครับซึ่งมันเป็นหนึ่งในขันขันห้านี่นะครับท่านตัดไว้ในพระสูตรนะสีลสูตรเนี่ยท่านพระมหา โกติตาไปถามภาษาริบุตรบอกว่าภาษาดิบุตรท่านภาษาริบุตรพระภิกษุผู้มีศีลควรจะมีธรรมะเหล่าใดเป็นธรรมะที่ทําไว้ในใจโดยแยบคายหมาว่าไปถามพระภิกษุผู้มีศีลเนี่ยควรจะมีธรรมะเหล่าใดกระทาไว้ในใจโดยแยบคายภาษาดิบุตรบอกท่านโกติตะ ภิกษุผู้มีศีลควรมีอุปาทานนขันห้าควรมีอุปาทานนขันห้าไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคายโดยความไม่เที่ยงหนึ่งโดยความเป็นโรคโดยความเป็นฝีโดยความเป็นลูกศรโดยความอะไรอีกเยอะแยะเลยแสดงว่าท่านให้ตึกถึงเรื่องนี้นะตึกถึงเรื่องรูปเนี่ยซึ่งเป็นอุปาทานนขันห้าเนี่ย นี่เราตึกตึกยังไงก็ตึกอย่างที่ท่านเล่ า, ลาใฟังเนี่ยตึกว่าอืมนี่นะตัวนี้เป็นที่เกิดของจักรคูวิญญาณนะตัวนี้เป็นอารมณ์ของจักรคูวิญญาณนะอนเอะเมื่อจักรคูวิญญาณเกิดแล้วสามอย่างรวนผัสสะนะอย่างนี้นี่เป็นการตึกตึกบ่อยๆแต่เป็นการตึกบ่อยๆแต่ตึกบ่อยๆนี่ไม่ใช่ตึกถึงคํานะคนนั้นจะต้องมีความเข้าใจว่าจักสู่คืออะไรสีคืออะไรหรือรูปเนี่ยรูปคืออะไรใช่ไหม จากคูวิญญาณนี่คืออะไรความเข้าใจอันนี้ต้อ ง, องชัดเจนอยู่แล้วนะในการความความเข้าใจนั้นต้องต้องพิจารณามากๆเช่นในเรื่องของสีสีมีสมุธฐานเท่าไหรนะ่สีมีสมุธฐานสีอันเราพิจารณารูปอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นอะไรดีดอกไม้เนี่ยมีอะไรเป็นสมุธฐานอุตุอุตุเป็นสมุธฐานอั้น <Okay. S 1> ถ้าหากว่าผู้ที่มีความเข้าใจปับ๊บมองปับ๊บมันก็มีรูปเนี่ยคือรู ป, ปารมมีอุตุเป็นสมุธฐานประกอบด้วยวิวนิพุทธรูปเท่านั้นเอง วันนี้โพคารูปอันนี้เนี่ยสีแบบนี้นะถ้าในเนี้ยยังมีน้ําหล่อเลี้ยงไปต้นก็ยังจะสดได้อีกนานหน่อยแต่ถ้าหากว่าปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งวิบัติความงามนี้เหลือไหมเธออุตูวิบัตินะเช่นเอาน้ําร้อนมาตั้งไว้ข้างล่างเนี่ยแล้วก็เหี่ยวหมดแล้วนะนั้นนี่เธคือธรรมชาติของสีอ่าถ้าหากว่าสีเนี่ยเปลี่ยนจากขู่เราก็หนึ่งสีต่อหนึ่งหนึ่งิญาณ เมื่อสีไม่เที่ยงจกักรโคจะเที่อย่างใดแล้วพิกษูนั่ น, นแหละแล้วก็พิจารณาเพื่อเพื่อมันไม่มีอะไรแตกก็เพื่อจะได้มีเวลาพิจารณาภายในเยอะๆนะถ้าพิจารณาภายในมากๆขึ้่นนะเช่นจักขโเนี่ยตากับจิตเห็นเนี่ยก็คือชีวิตใช่ไหมขณะที่ตากับสีเนี่ยนะจิตเห็นเนี่ยเป็นชีวิตมีชีวิตตินทรียเกิดร่วมด้วยจักรโก็มีชีวิตเกิดร่วมด้วยชีวิตนี้น้อยนักใช่ไหม ชีวิตเนื่องด้วยอะไรบ้างตาของเราเนี่ยเนื่องด้วยอะไรบ้างที่มันเป็นอยู่เนี่ยที่ยังเห็นอยู่ได้เป็นเนื่องด้วยครับชีวิตสี่เนื่องด้วยส่วนใหญ่นะในคัมภีร์ท่านบอกว่าเนื่องด้วยมหาภูติรูปสี่ตาเห็นเนี่ยนะถ้ามหาภูติรูปอย่างใดอย่างหนึ่งวิบัติดูสิอย่างอื่นวิบัติไปด้วยอย่างอื่นก็อันะชีวิตนี้ก็วิบัติไปด้วยถ้าอาหารวิบัติตานี่ก็วิบัติไปด้วยถ้าจิตมีปัญหา ตาก็มีปัญหาด้วยนั่นแหละนั่นก็คือกรรมจิตดูตัวอาหารนั่นเองแต่ว่าสำนวนพระสูตรจะใชอ้อีกคำหนึ่งนั่นแหละเมื่อจะขูเหล่านี้เนี่ยซึ่งเกิดด้วยปจยัจจัยถ้าปัจจัยอย่างไรอย่างหนึ่งวิบัติไปจิตเห็นก็ต้อง<บ>วิบัติไปตามความตามปัจจัยของเขานั่นแหละถามว่ารู้อันนี้พอหรือยังทํำยังไงต่อวิจัยว่างไง อ๋อที่ว่าก็ว่าไปแล้วเมื่อกี้ไงไอเหตุที่ว่าเนี่ยถ้าจะต่ออีกเนี่ยจะทํายังไงอาจารย์เหมืนกัน็มีคุณมีโทษมีการเกิดนะมีการดับมีเมื่อกี้เนี่ยเครียกว่ากล่าวโดยยาตาปริญญานะปริญญาต้องสามต่อไปปริญญาข้อที่สองก็คือตีรณาปริญญาพิจารณายัางไงนะพิจารณาจากคุเ น, นี่ยโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดงันดงลูกศรเป็นความลําบาก เป็นเหมือนของขอยืมเข้ามานะเหมือนของขอยืมอ่ะาจนะเข้าม า, าแสดงว่าชั่วคราวแสดงว่าพระมหาโกติตานี่ไอเรื่องอ่ยาตะปริญญานี่โอ้ท่านผ่านมาแล้วเพราะนั้นภาษารีบุตรท่านถึงบอกไปถึงเรื่องเตรอณนะเป็น ญ, ญาเลยแล้วก็พระมหาโกติตะยังถามต่อไปนะว่ า, าท่านท่านภาษารีบุตร แล้วก็ภิกษุที่เป็นโสดาบันล่ะควรจะมีธรรมะเหล่าใดก็ทำไว้ในใจโดยแยบคายท่าน菩萨ลีบุตรบอกว่าก็มีอุปาทานขันห้านั่นแหละก็ทำไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคายโดยพิจารณาความไม่เที่ยงนะโดยเป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นความขับแค้นเป็นความสูญเป็นอาพาธเป็นอู้เยอยะแยนะ ถ้าถ้าพิจารณาโดยความไม่เที่ยงนี่จะได้รับผลอย่างไรอะ่ะพิจารณาโดยความไม่เที่ยงจะได้รับผลอย่างไรเป็นวิโมกอะไรเนี่ยเป็นวิโมกนะอ่ <More S 1> นน า, อานะถ้าพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็จะละนิจจะสัญญาหรือนิจจะวิปลาสได้นะะเรียกว่าละสัญญาวิปลาสจิตตาวิปลาสทิฏฐิวิปลาสได้ นะโดยแต่ทางค้าอะหานะเอ๊ะท่านผู้ชมก็เข้าใจนะแต่ทำไมผมทำไมจะสาธยายอย่างท่านมั่งไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆอะ่ะมันเป็นขั้นเป็นตอนพอท่านพูดมาเราก็เข้าใจเลยอ่ะแล้วก็เคยได้ยินมาแต่จะให้เราพูดออกมาเป็นเรื่องอย่างนี้นะอ<ำ>เอาไปตรึกมากๆอีกนนะ่ะไม่นานเอาอีกนิดหนึ่งไหนๆพ่าสูตรนี้ให้มันจบเลยนะท่านพระกธิตาก็ถามต่อไปอีกนะบอกว่าอ้าวแล้วพระอนาคามพระสกะทาคามีล่ะพระอนาคามิล่ะ ท่<พ>านพัตตาลพันธ์าลีบุตรกบอกว่านั่นก็เหมือนกันละก็มีอุปาทานขันห้าเนี่ยนะกระทำไว้ในใจโดยอุบายแยบคายอย่างนี้พิจารณาอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยเนี่ยนะแล้วก็ยังถามต่อไปก็แล้วพระอรหันนะท่านพัตตาลีบุตรบอกว่าก็เหมือนกันนั่นแหละก็มีขันห้านี่แหละอุปาทานขันห้าเนี่ยกระทาไว้ในใจโดยอุบายแยบคายแต่ว่าแตกต่างกันกับพระอริยะบุคคลต้นๆนะตำหับพระอรหันเนี่ยเพราะว่าทำกิจเสร็จแล้วศึกษาเสร็จแล้วนะแต่ว่า อะไรครับท่านอธิบายหน่ยเพื่อทิฏฐธรรมะสุขวิหารธรรมนะการพิจารณาขันห้าของท่านเพื่อเข้าพระสมมาบัติเพื่อเข้านิโรธสมมาบัติและเพื่อสติสัมปชัญญนะนั้นการพิจารณาเหล่านี้เนี่ยนะบอกว่าพระหันศึกษาจบแล้วเออพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นเหล่าเนี้ยมันเป็นการศึกษาอย่างไรศึกษาอย่างไร ขณะนั้ น, นั้นเนี่ยนะคนที่เจริญนั้นต้องศีลสิกขามามาดีแล้วใช่ไหมจึงจะปารภอย่างนี้บ่อยๆ อ, ย อ, ยอนะเมื่อปารภนี้ก็เป็นลักษณะของปัญญาศกขา น, นั้นถ้าหากว่าความสงบไม่มีระดับหนึ่งจริงๆ่แน่นอนว่าคิดได้ไ่ได้คิดไม่ได้แน่นอนเชื่อพาะั้นสูตรนี้ขึ้นต้นว่าภิกษุผู้มีศีลควรกระทาธรรมะเหล่าใดไว ในใจโดยอุบายอันแยบขายสมบูรณ์ทุกอย่างเลยภิกษุต้องมีศีลก่อนนะแล้วก็ทําำม้โดยความไม่เที่ยงใช่ไหมโดยดุจจะนะไม่ใช่แบบโดยเช่นโดยดุจจะเป็นลูกศรโดยดุจจะเป็นโรคนะไม่ใช่แบบไม่ใช่เห็นเป็นโรคจริงๆคือพยัญชนะก็สมบูรณ์อัฐะก็สมบูรณ์คําว่าดุจก็แปลว่าเหมือนเหมือนอย่างว่าเหมือนอ่าวุปมาเหมือนกับสิ่งนั้นนั้นนะ สมมติว่าเป็นเหมือนกับลูกศรเนี่ยมันเสียดแทงมันเสียดแทงอย่างไรเสียดแทงอย่างไรคือตัวของจักรสุเองเนี่ยสมมติว่าอุปท า, านขันห้ารูปรูปรูปท า, านได้แก่จักสุเนี่ยนะตัวจักสูุเองเนี่ยนะเสียดแทงไปด้วยชาติชราพยาธินะโรคภัยไข้เจ็บในตัวข้องเข้ามากมายมาหาศาลนะแล้ววิบัติเรียกว่ามรณะนั่นแหละ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 เมื่อธรรมวิจยะสามพ่อชงไม่มีอยู่ณภายในจิตก็รู้ว่าธรรมวิจยะสามพ่อชงไม่มีอยู่ณภายในจิตนะธรรมวิจยะสามพ่อชงเนี่ยนะที่ยังไม่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยธรรมวิจยะสามพ่อชงที่เกิดขึ้นแล้วจะบริบูรณ์ด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยนะพิสูุนในธรรมวินัยนี้ก็พิจารณาที่ว่าเนี่ยนะทั้ง ภายในทั้งภายนอกทั้งภายและภายนอกทั้งความเกิดและความเสื่อมความเกิดของปัญญาเนี่ยเพราะอะไรเกิดปัญญาจึงเกิดเพราะโยนิโสเกิดปัญญาจึงเกิดทำไมปัญญาจึงเสื่อมเพราะหมดโยนิโสปัญญาก็ไม่เกิดอีกแล้ว <c oughs> นั่นแหละทำไมน้าจึงแข็งนะเพราะอุตุเพราะบริบูรณ์ใช่ไหมก็แข็งเลยถ้าทำไมน้า ม, มันจึงละลายเป็นแบบนี้ เพระเพาะปัจจัยปัญญาก็เหมือนกันนะเพราะมีปัจจัยปัญญาก็เกิดนะโยนิสโสมณสิการนั่นเองเป็นปัจจัยของปัญญาอะไรเป็นอาหารของโยนิสโสก็มีตั้งแต่ครบสัตบุรุษฟังธรรมเกิดศรัทธายึงเกิดใช่เปล่าไล่ยาวเลยไล่ยาวยตั้งแต่ครบสัตบุรุษแสดงว่าโอ้อาหารของปัญญานี่มากไหมฟังธรรมเจนภาแล้วเกิดศรัทธาเจนอาจึงเกิดโยนิสโสใช่ไหม แล้วธรรมวิจัยาสามโพชง์จะบริบูรณ์ที่ไหนธรรมวิจัยาสามโพชงจะบริบูรณ์เมื่อไหร่ใช่ไหมที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่สุดเลยเนี่ยโอใจแบบใจแบบไหนอรหัตตมรักษ์จะบริบูรณ์จริงๆในอรหัตตมรักษ์นูน่นนะแสดงว่าต้องเดินทางอีกนะแต่ทีนี้ในขณะเดียวกั น, นในชั้นของการศึกษาเนี่ยเราต้องเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้ให้ใหเพียงพอนะ มันเป็นวิชาที่แปลกมากวิชาที่คนปฏิบัติโดยที่ไม่ต้องรู้เลยคือส่วนใหญ่คือธรรมะนะลองค้าขายนะถ้าตอบอะไรไม่ได้เหมือนกับพิจารณาธรรมะอย่างเงี้ยนะรับรองเนี่ยพับเสือกับบ้านหมดแน่นะห้าสตังค์สองสตังค์ยังเล็บออกเลยนะถอนตังค์ไม่ถูกนีงถอน ต, ตังค์ไม่ถูกทีเราสองลําพันเนี่ยกับแจ้งแล้วปฏิบัทเนี่ยเตรียมเก็บพับเสือแล้วนั่นแหละแต่ธรรมะเนี่ยเป็นเป็นชีวิตทั้งชีวิตของเรากลับ คนไม่ค่อยเข้าใจาแล้วก็มุ่งปฏิบัติด้วยนะจะปฏิบัติอย่างเดียวเลยนะเขาเรียกว่าทำมังสารานางคาฉามีเบื้องต้นก็ไม่ชัดเจนอะไนี่ก็เป็นโทษของวัตตะอีกอย่างหนึ่งเหมือนกัน